10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. ให้ 80 5 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์ราชันวรการปลายฟ้าเป็นชื่อ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 หมอกสลาย 24 ความเดิมตอนที่แล้วทัญญะพยายามถามเสียคุย เพื่อปักทองขาวก้าวสู่หมู่ เขาว่ายังไงบ้างจะย้ายเขาเชื่อว่าพี่ แล้วบ้านเราจริงๆยายจริงแม่ๆ เฝ้าระแวงว่าเวลาใครแล้ว คุณได้นั่งซึมอยู่นั่นไงเอ็นช่วยไปพูดอืม พ่อ 8:00 น. นใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรต่อไปก็แม่แม่ ไม่ให้ไอแสงไปกินมันอีกต่อไปให้ไอ้แสงไปกินมันอีกต่อๆปอป้าขอขอบใจ แล้ววันหน้าไม่ทํา ขณะนี้รับพรอันเป็นมงคลเราชาวชุมชนบ้านปลาย เป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดึงในโอกาสมหามงคลเสด็จพระชนมพรรษา 80 พรรษารวมใจไทยขจัดภัยยาเสพติดร่วมเทิดทายองค์ ที่คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเค้าจัดกันละจัสเตีย ที่ทั้งท่าทางหยาบคายและดูเหมือนคนร้ายอืมเลิกพูดเลวไร้สักทีกิมจูนี่มันชักจะ ปอดยาเสพติดแน่ฉันไปละนางยิงจูมันสักจะ แต่เราอยู่บงหลังเสือไม่มีทางลงได้ง่ายๆ เนยอำเภอผู้กำกับแล้วก็เจ้าหน้าๆอย่างฉัน ตั้งใจจะทำอะไรอย่างเพื่อนคุณพอจะเป็นผู้ช่วยได้จังก็เดี๋ยว วันจะสงสารเค้าแล้วนะอย่าพยายามทําให้ๆ มีอืมๆว่าจะปรึกษาเรื่องปัญหาปาก จะทําโครงการสู้ภัยเศรษฐกิจกันดีมั้ยแต่ ต่อก็เห็นด้วยกับโครงการสู้ๆเนี่ย ใส่น้ำตาลให้หวานพอชุ่มคอสักนิดน้ำก็น่าจะบรรจุขวดขายได้นะให้หวานพอชุ่มคอสักเออแล้ว ก็กลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มปลูกผักสวนครัวปลอดทิศ ปปส. แล้วก็ส่วนราชการที่มีความชํานาญใน กำลังจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม เพื่อนํามาใช้เป็นทุนในการยกๆ วะไอ้อึ่งไอ้จ๊อดน้ำวัญยาของพวกเราขอยิงจะ แพมยังครูว่าถ้าฉันกลับไปเองไปวุ่นวายมันจะไปบอกตำรวจ เราจะไปหานั่นแต่หากทุกวัน แต่ตอนนี้นะตอนเม 2 เมตรยอมเมแต 응. 2 เมตรจอด <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกชาวบ้าพวกนี้ใช่จะเอา จอดรถต่อไลมะลายน่ะลือลงไปขอซื้อมะลายจาก ขอแต่ถ้าใจบุญนะคะคุณพี่ขาขอบอกว่าโมเนื้อแดงรันนั้นแต่ถ้าใจครับ เลยอยากจะได้เอ่อมะลัยพิเศษอ่ะพิเศษก็พวงนี้มะลัย 7 สีพวงละ 30 ดูนี่ชั้นตัดทองอ้อยเค้าจะเอา อย่าบ้านะแล้วแกว่ามันไปหรือเปล่าน่ะก็ว่ากันสิมันก็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 ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาสถีรศิราบุญญฤทธิ์วรการ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานอาสาควบคุมเสียงอาทร